เรื่องพึงภาพบังสุกุลบนแผ่นศิลากัสปะเราได้ดำริต่อไปว่าจะพึงพึงภาพบังสุกุลไว้ที่ไหนหนอลำดับนั้นเทา้กกาสกัดจอมเทพทรงทราบความดำริในใจของเราด้วยพระไถยจึงยกศิลาแผ่นใหญ่มาวางไว้ทูลว่าข้าแต่พระองค์ผู้เจริญขอพระผู้มีพระภาคโปรดทรงพึงภาพบังสุกุลไว้บนแผ่นศิลานี้เถิด ศิลานี้อันผู้ที่ไม่ใช่มนุษย์ได้ยกมาวางไว้ขณะนั้นชาดินุรุเวลกัสปะคิดว่าพระมหาสมณะมีฤทธิ์มากมีอานุภาพมากจริงถึงกับเท้าส ก, กัดจอมเทพได้ทรงทําการช่วยเหลือแต่ไม่เป็นพระอาหารหันเหมือนเราแน่พระผู้มีพระภาคสวยพัะทหารของชาดินุรุเวลกัสปะแล้วประทับอยู่ที่ภัยสนแห่งนั้น